ก็ยพยายามที่ใช้ช่วงเวลาก่อนเขํามันให้สั้นเพื่อเราจะได้เพภาวนาต่ อ, เ, อเมื่อวานผมค้างเรื่องสัมปมชะ ญ, ญาอาไว้นะครับว่าจะลงรายละเอียดเรื่องสัมปชัญญะในภาคปฏิบัติแต่ก่อนที่จะไปสู่เรื่องนั้นผมจะเคลียร์ปัญหาเมื่อวานที่ตกค้างอยู่ที่ไม่หมดของท่านแรกก็ของท่านทวัตชัย กระตะปุญโญมีท่านอุดนะซึ่งก็เคยเข้าปฏิบัติเข้าปริวาติกับในสายงานของเรามาแต่ว่าไม่ใช่งานเดียตรงแบบวัดพรมบุรีเนะียปฏิวัติของแบบวัดหนองแวงเออสาหรับท่านทวชัยหรือทันอุดในถามปัญหามาถึงปัญหาเจอนะแต่ปัญหาที่ถามก็คงจะเป็นไม่ใช่จากภาคปฏิบัติแต่เป็นการที่ ไปค้นคิดตามหลักวิทยาศาสตร์บ้างหลักจิติยาบ้างจากปรัชญาบ้างในเรื่องของศาสนาในวิกายและที่อื่นบ้างเนี่ยท่านได้เป็นผู้ที่ชอบพ้นคว้านะซึ่งก็เอามาถามซึ่งความจริงผมไม่ตอบก็ได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติโดยตรงไหนก็ถามาแล้วก็หลายข้อด้วยนะแต่ผมก็จะตอบบางข้อที่ไม่ตอบไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ว่า มันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินะครับทั้งหมดท่านถามมาถึงสิบสามข้อมากกว่านนน็อดอีกนน็อดก็ยังว่าก็นินทอดทำตรงตรงนะอันนี้คนละเรื่องกับนในน็อดหรือเปล่าต้องอ่านดูนะข้อที่หนึ่งจิตเป็นรูปถอดจากนามรูปของจักรวาลใช่หรือไม่คำถามของท่านว่าจะใช่ก็ไม่ใช่หรือไม่ ผมจะตอบว่าใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมครับจิตเป็นรูปอืนำมารูปของจักรวาลจิตเป็นรูปถอดจากนำรูปของจักรวาลซึ่งให้เข้าใจว่าการที่มีจักรวาล น, นี้เรารู้ได้ไงไว่ามันมีอยู่ถ้าถามย้อนถามเนี้ยจะตอบได้ไหมหลวงพ่อทวัตชัยฮะฮา<ะ>นุมาณ ว่าตินิยาเยอะเลยเนะี่ยนิยาเรื่องเรื่องมหาภรรตะเรื่องพลาภลักนะว่าเราโลกนี้จักรวานนี้มีอยู่เพราะเราเกิดมารู้มันใช่ไหมถ้าเราไม่เกิดมาเราจะรู้ว่าจักรวานนี้มีไหมหรือเรามีอยู่แต่ว่าเราไม่สนใจมันนะเรารู้ว่าจักรวานนี้จะมีเมื่อก่อนเราเชื่อ่าโลกแบนใช่ไหมทุกวันนเราเชื่อว่าโลกนน ก, โล ก, กลม พอเราไปรู้มันเข้ามันร้วนมีอยู่พอไปรู้มันถ้าเราไม่ไปรู้มันมันก็เหมือนไม่มีเราท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องโลกจักรวาลตลอดเวลาเมื่อมีคนถามเท่านั้นนะใช่ไหจริงทจักรวาลเป็นไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามีอยู่จักรวาลจึงมีถ้าเราไม่มีอยู่จักรวาล น, นี้ถึงมีก็ไม่มีความหมายเพราะว่าพราะไม่มีเราถ้าจะบอกว่ารูปกับนามนี่คือจักรวาลอันนี้ผมไม่ไว่าเองนะ มีคุณของพุทธเจ้าคำหนึ่งว่าโลกับวิทูใช่ไหมผู้รู้แจ้งจักรวาลผู้รู้แจ้งจักรวาลคือโลกับวิทูรู้แจ้งจักรวาลพุทธเจ้าเหาะไปทั่วจักรวาลอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่จักรวาลนี้ประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุจักรวาลนี้ประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุกี่ธาตุนะสี่นะมีธาตุอะไรบ้าง่ะ ดินน้ำรมไฟหลวงพ่อมีกี่ธาตุสี่ธาตุนะอ้าวดินน้ำรวมไฟใจเป็นธาตุอะไรเปนธาตุนึ่งเป็นกันึ่งอ่านั่นแหะเป็นธาตุนะวัฏธาตุเนกันนะใช่เรืวิญญาณธาตุอ้าวมันจะเป็นธาตุที่ห้าแล้วทีนี้ไม่มันเป็นปรนัิอ๋อไม่ได้มันเป็นธาตุเหมือนกันวันนั้นธาตุที่สมบูรณ์คือธาตุหกดินน้ำรวมไฟอากาศวิญญาณใช่ไหม ปฐวีธาตุอโูธาตุวาโยธาตุเตโชธาตุอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุหกธาตุเพราะนั้นในรูปเนี่ยมันมีห้าธาตุคือดินน้ําลปไฟและอากาศแต่น้มันมีธาตุเดียวคือวิญญาณธาตุนะแต่วิญญาณเนี่ยมันไปได้ทั้งรูปและทั้งนามนะถ้ามันอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย เกิดเนี่ยมันเป็นรูปนามแต่อาศัยใจวิ ญ, ญญาณในสายใจเกิดมันเป็นนามรูปแต่เมื่อไรมันจะเป็นนามล้วนๆมันกลายมีแต่ยานคําเดียววินมันหายไปเห็นไหมมันธาตุเจ็ดได้ซ้ําไปมีญาณธาตุีกนอกจากวิญญาณธาตุมีนนนวิญญาณธาตุแต่ธาตุที่ม้วนทั้งหมดมันธาตุสิบแปดนะครับธาตุสิบแปดก็คือผมขอลงรายละเอียดนี่นะธาตุสิบแปดก็คือ จะขูทธาตุโสดธาตุเชีวหาธาตุขานธาตุกายธาตุมนุธาตุหกไหมแล้วอีกหกก็คือรูปธาตุสัทธาตุขันธาตุรัทธาตุกายธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุ หรือมโนธาตุหกไปสิบสองเลยใช่ไหมนะทีนี้จญญญะขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุจนไปถึงมโนวิญญาณธาตุไปดิก 6, 6, ไปหกก็ไปสิบแปดธาตุธาตุสิบแปดธาตุโดยละเอียดมีสิบแปดแต่ธาตุโดยย่อมีสี่ธาตุโดยกลางมีหกธาตุโดยพิสาดารมีแปดเลยสิบแปดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เรียกว่าจักรวาล จักรวาลคืออยู่ในใกายในใจถ้าเรารู้จะกายรู้ใจรู้ลูกรูปนามของเราก็รู้จักรวาลทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่มีรูปมีนามมีกายมีใจนี่เลย จ, จักรวาลมีอยู่ก็ไม่มีความหมายเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมอันนี้คือรูป ก, กัมนามย่อเหลือสองธาตุคือธาตุเกิดและธาตุดับจุติธาตุอุปาทธาติ ยอดที่สุดเลยสองธาตุคือธาตุเกิดและธาตุดับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเกิดไม่ดับวิญญาณก็เกิดไม่ได้ธาตุสีเกิดไม่ได้ธาตุหกก็เกิดไม่ได้ธาตุสิบแปดก็เกิดไม่ได้เพราะมีเกิดไม่ดับจึงมีเพราะฉะนั้นโดยยอดที่สุดมีสองกลางขึ้นไปมีสี่กลางขึ้นไปมีหกสิบสิบแปดกลารไปมีหกสิบแปดเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันว่าแล้วจิตนี้เป็น กับจิตกับกายกายกับใจนั่นแหละเครื่องสองอย่างเพราะฉะนั้นจะดูทั้งจักรวาลดูแค่สองอย่างให้แตกฉานดูกายก็ดูใจแค่ได้พอแต่ทาาําภาษากฎฐานดูลูกกับนามลูกกับนามก็ยังเยอะไปอีกให้เหลือสั้นที่สุดเหลืออันเดียวคือเหลืองอะไร ด, ดูความรู้สึกเห็น <c oughs> <c oughs> ไ, ไหมเพราะฉะนั้นทำของมากให้เป็นของน้อยทำของน้อยให้เป็นของจริงทุกคนมีความรู้สึกไหมมีใช่ไหมแล้วก็ดูความรู้สึกเดียวจบ เลยแต่ว่าคนเราเนี่ยมันถูกป้อนข้อมูลมาเยอะมันก็คิดไปสงสัยไปมันไม่สามารถตกลงใจไว้ได้ว่าอันนี้คือตัวจักรวาลเพราะว่าจิตมันเป็นมีเพียงหนึ่งเมืนรู้เพียงหนึ่งพอรู้ทั้งหมดรู้หนึ่งคือรู้ทั้งหมดรู้ทั้งหมดคือรู้หนึ่งถ้าจำเป็นจะต้องรู้ท่านจะรู้ทั้งหมดหรือรู้หนึ่งเดียวออมันง่ายกว่าใช่ไหม เ <laughs> บสบายด้วยทุกมันก็จบแต่ทุกวันนี้มันไม่จบทุกไม่จบเพราะมันรูน้แหละรู้มากใช่ไหมรู้เยอะมันก็ทุกไม่จบท่านเพื่อปรมาพปฏิบัณฑ์ท่านองการให้รู้เพียงหนึ่งเท่านะั้นอ่าเอานาแมนหลับไปแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องมิสเตอร์แมน you awake <laughs> what i what I'm talking and you know <laughs> Uh, we talk about uh, our life consists of the <coughs> uh, many many elements. Uh, okay, in your life we have many, many two element, four element, six element, eight element. But we take all element become one. That is knowing element. Okay. So if you try to know yourself, that you know everything uh, in the in the cosmos. Understand? Okay. <laughs> โอเคด้นสลีปโอคน p e n y อ u r e เอา w a k e y o u บ body เผื่อไม่ได้ไจะนอนหลาลูกเดียวจบนะคนหนึ่งจบนะโอย้ยจะเามาถามอีกอาทิที่นี่นะข้อ <laughs> สองการปฏิบัติบารามีตาเนี่ยไปคนละเรื่องเลยนะทีละขั้นละขั้นอะคือบำเพ็ญบรารมีนะเพื่อเป็นจิตดวงหนึ่งนั้นซึ่งเป็นจิต เวยไม่รู้นะว่าจิตอะไรเมื่อน่ะจิตนั้นไม่มีใช่หรือไม่การปฏิบัติบารมีทีละขั้นอ่ะเพื่อจะทําให้เปจิตเป็นหนึ่งซึ่งจิตนั้นหานนี้เป็นคําถามที่ปฏิเสธในตัวมันเองจิตไม่มีได้ไงจิตก็คือตัวรู้ตอนนี้มีตัวรู้อยู่หรือเปล่ารู้สึกตัวมีอยู่ใช่ไหมอ๋ออ๋ออันนั้นมันเป็นเรื่องของปริยัติเรื่องของปริยัติเหมือนบันไดจะไต่ขึ้นบ้านทีละขั้นขั้นพอไปถึงบ้านมีขั้นบันไดอีกไหม เออไม่มีเราขึ้นบ้านได้ไงอ่ะมันมันบนตะขั่นเราก็มันอาศัยกันเนอะมันปฏิเสธไม่ได้คุณจะปฏิเสธไม่ได้คุณจะลงบ้านได้ไงอ่ะเออไม่ได้หนุ่มคุณให้ไปลูกประทับหน่อยพูดคุณมั่วไม่ได้นีคุณจะแบ่งบันไดขึ้นไปในบ้านยังทิ้งไม่ได้เดี๋ยวคุณก็ลงมาได้ไงอ่ะคุณทิ้งมันไดไม่ได้คุณจะลงบ้านไม่ได้ ใช่เพียงแต่ว่าคุณไปอยู่ในบ้านคุณไม่ต้องใช้บันไดแล้วเหมือนน่นเราจะบอกมันไม่มีไม่ได้มีอยู่แต่มันยังไม่ได้ใช้นะและขณะนี้เราเรามีมีอหูตาหูจมูกลิ้นกายลิ้นทํางานไหมไม่ได้ทําเพราะไม่ได้กินข้าวจมูกทํางานไหมก็ทําทปากทํางานไหมก็ทํานะ ชื่อหมูก็ต้องทำงานนะเพราะฉะนั้นอันไหนทำงานก็ชื่อว่าอันนั้นมีอยู่อันไหนไม่ทำงานบอกไม่มีไม่ได้มีแต่มันยังไม่ทำหน้าที่ถ้าผมหลับตาปั๊บเนี่ยตาผมไม่เห็นน่ะผมมีตาไหมนี่แต่ไม่เห็นน่ะแสดงมันไม่มีเพราะมันไม่ทำหน้าที่มันทำหน้าที่แต่ว่ามีเท่านั้นใช่ไหมอ่าจะบอกไม่มีไม่ได้สาม การวางจิตนี้เมื่อมีอวิชาก็ไม่ได้หายไปใช่ก็เออก็มันคำตอบคาถามมันมันสับสนนะ่ะการวางจิตนี้เมื่อมีอวิชามันไม่ใช่แล้วั้งแรกเมื่อไปกอ阿าหันก็ไม่ใช่สิ่ง ซึ่งได้มาใช่หรือไม่เนี่ยไม่ได้นนี้เป็นพุ่นในในคำถามในหนังสือไอเซนของอฮองโปว่างใบลังว่างไปอ่านา่าต้ามาตั้งเป็นคำถามแล้วต้องต้องเข้าใจนะเอาถามรุๆไม่ได้ท่านต้องไปตั้งทาความเข้าใจกับมันก่อนแล้วตั้งคำถามให้ถูกข้อสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่เป็นเราก็แสดงว่าเรามีเจ้าของหรือมีผู้สร้าง มันใช่หรือไม่เห็นไหมไม่ใช่เราก็บอกว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานิสโตนิเชโวชุนโยมันบอกว่าเขแสดงว่ามันไม่ใช่ของเราเราจะมีเจ้าของได้ไงบอกแสดงว่าเรามีเจ้าของอ่ะมันแย้งกันนะะเราไม่มีเจ้าของอ่ะเพราะมันไม่ใช่ของเราเราก็จึงไม่มีเจ้าของแตมันไม่มีอ่ะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะมันเปิดของว่างของว่างก็มีเจ้าของมันมีของเป็นของสากลนะ มีผู้สร้างหรือไม่ไม่มีผู้สร้างก็ <Gym. S 1> คือจ no, ิตจิตเป็นผู้สร้างแต่ผู้สร้างนอกเหนือจากจิตแล้วไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาด้วยจิตเป็นผู้สร้างนะจิตผู้สร้างเพราะเป็นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานะจิตเป็นผู้สร้างจิตเป็นผู้สร้างกรรมจิตผู้สร้างบุญจิตเป็นผู้สร้างบาปจิตผู้สร้างนรกจิตบุนผู้สร้างสวรรค์นะนอกจากจิตแล้วไม่มีผู้สร้างเพราะฉะนั้นเราก็จะ ทำไงให้ฝึกให้จิตเนี่ยให้มันสร้างแต่สิ่งที่ดีเป็นผู้สร้างกุศล ส, สร้างคุณงามความดีจนกระทั่งที่สุดเอาจิตนั่นแหละสร้างมรรคผลนิพพานเพราะจิตนี้สร้างมรรคผลนิพพานจิตนั้นก็เป็นสากลจิตไม่ได้หายไปไหนนะแต่มันเป็นสากลคือหมายความว่ามันเข้าสู่ธาตุเดิมจิตมาจากธาตุทั้ง ดินน้มไฟจิตมาจากธาตุหจิตมาจากธาตุสิบแปด 18, มันกลับไปสู่ที่เดิมมันกลายเป็นพลังงานจิตที่เป็นพลังงานชนิดหนึ่งเรียกว่านามกายนี้เป็นรูปเรียกว่าเป็นสสารจิตที่เป็นพลังงานเรียกว่านามในในโลกนี้ก็มีแค่สองอย่างใช่ไหมสสารกับพลังงานโมเลกุลก e ับเอเนร์จี่โมเลกุลก็คือรูปเอเนร์จี่ก็คือนามโมเลกุลคือเกิดเอเนร์จี่คือดับเพราะฉะนั้นพอจิตดับไปมันก็กลายเป็นเอเนร์จี่ คือกอรารเป็นพลางของเข้าร่วมกับพลังงานสากลแต่คนไหนมาเกิดอีกก็เอาพลังงานนั้นมาเกิดไปตัวคนนั้นอีกพลังงานตัวนี้ก็สร้างมนุษย์ได้อีกะคนไหนมาเกิดก็ไปหยิบเอาพลังงานตัวดีตัวชั่วตัว ด, ว ด, วดีเกิดมาก็เป็นคนดีคนชั่วไปตามพลังงานนั้นมันไปเอาพลังงานของขี้เล่ามาลูกเกิดมาก็เป็นพลังงานโง่ถนะ้าไปเอางานของพลังงานของคนรู้ผู้ดีมาเกิดเกิดลูกออกมามันก็เป็นพลังงานดีเป็นพลังงานฉลาด แต่พอตายไปแล้วจิตเนี่ยกลับไปสู่ทลังงานในบรรยากาศเนี่ยมันมีทั้งพลูชันนะอากาศที่เป็นอเอาซิ้นบริสุทธิ์ใช่ไหมเราไปช่วอากาศพอลูชั่นอากาศสกรปรกคนนั้นก็เป็นไงสุขภาพไม่ดีเราไปอยู่ที่อากาศสะอาดสุขภาพเราก็ดนะีพลังงานก็ลักษาอย่างงี้เราไปเอาเข้ามานะเป็นผู้สร้างคือจิตผมก็พยายามตก็บให้ให้หมดก็แล้ว ก, กันนะถูกไม่ถูกไม่รู้นะ <laughs> เพื่อเป็นประเด็น ข้อไหนถามไม่รู้เรื่องก็ไม่ตอบเหมือนกันนะจิตเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าสิ่งสีนั้นอ่าสิ่งนี้ใช่หรือไม่จิตเป็นสิ่งเดียวกับจักรวาลก็ตอบแล้วนะพอจิตมันเข้าร่วมเป็นจักรวาลเป็นสิ่งสูงสุดเมื่อมันหมดหมุนทินแล้วอย่าจิตของพระหานถี่ของพระริเจ้าเนี่ยก็เข้าร่วมจักรวาลจิตที่หมดมุนทินน่ยนะแล้วจิตนี้ก็สามารถใครจะไปใช้ก็ได้ละ หมายความว่าแล้วแต่เหมือนอากาศอะ่ะอากาศบริสุทธิ์เนี่ยนะใครไปอากาศไปยอดเขาสูงสุดคนนั้นก็ได้สูดอากาศที่ดีหรือไปการทะเลที่ไกลไกลมลพิษก็ได้อากาศที่ดีออกซิเจนดีพลังงานก็สูงทักษณะที่จิตอันนี้ก็เหมือนอากาศก็เป็นสากลที่ต่อมาเข้าอมีขี้แล้วแต่ว่าใครจะนําจิตนั้นไปเกิดใหม่ก็เป็นส่วนของคนนั้นแต่ว่าจิตที่เป็นบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนพลังงานบริสุทธิ์ คนแล้วแต่ใครจะได้ส่วนมากส่วนน้อยคนที่ทําความคุณนาความดีมาเยอะก็ได้จิตดวงนี้ไปเกิดเยอะเอ๊าถามว่าเอ๊พลังงานรบอกว่าพระหันอไม่เกิดอีกแล้วท่านไม่ได้เกิดได้อำนาจของตันหาแต่เกิดเป็นพลังงานคือเป็นพลังตัวรู้เนี่ยพอสลายแล้วเพียงแต่ว่าท่านนิพพานก็หมายความว่าตัวมลพิษหรือตัวสกรปรกในอากาศมันหายไปเหลือแต่อากาศบริสุทธ มันก็จะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ของโลกคือเรื่องพลังจักรวาลพลังงานอันนี้มีอยู่นะเขาเรียกนิพานาธาตุไงเคยยินอหมเป็ น, น, ปนาธาตุนหนึ่งมีอยู่ในจักรวาล น, นี้แต่นิพานาธาตุการปฏิบัติไม่มีสิ่งที่ได้ม า, แ ต, มาแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่อการปฏิบัติไม่มีสิ่งที่ได้มาแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่อันนี้เป็นสมมํานวนของเซนนะ ล้าปฏิบัตินี่คือได้อะไรมาได้ความรู้สึกตัวมาความรู้สึกตัวนี้เกิดมันมีอยู่แล้วนะแต่เราก็ได้มันมันเพิ่มขึ้นได้กำลังมันมีขึ้นสมมติว่านักมวยนี่นะเมื่อก่อนมันเป็นเด็กคนธรรมดาเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเนี่แหละแต่พอมันไปซ้อมเข้าเนี่ยมันก็กาลังมันก็ได้กำลังนั้นมาเพิ่มขึ้นแต่ถามว่ามันมีกำลังนั้นก็มีอยู่แล้วแะแต่มันไปปฏิบัติคือไปซ้อม ไปซ้อมบ่อยเข้าแบบเข้ากําลังความเป็นนักมวยก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่กับบ้านเนี่ยเราไม่รู้เรื่องสวดเรื่องสาเรื่องพอมาบวชเข้าเรื่สวดเป็นทําวัดเป็นรู้นะั้นรู้นี้เป็นเนี่ยก็หมายความความรู้มีอยู่แล้วเราเอาความรู้มาพัฒนาให้เป็นความรู้ที่มากขึ้นเท่านั้นเอ ง, เองนะมันมีอยู่นะแล้วก็นําเอาสิ่งเนี้ยมาพัฒนานะ เพราะด้นานการปฏิบัติก็ไม่ได้สิ่งอะไรมาแต่ได้กําลังนั้นเพิ่มขึ้นได้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้เพิ่มขึ้นน ะ, ะไม่มีอดีตอนาคตและปัจจุบัน อ, อั น, นเป็นการปฏิเสธนะอดีตอนาคตปัจจุบันมีอยู่อดีตก็คือมันผ่านไปอนาคตคือยังไม่มาแต่ปัจจุบันคือเรากําลังสัมผัสมันอยู่นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่มีไม่ได้นะก็ เ, เรียกว่าถ้าไม่มีอดีตปัจจุบันอนาค ต, าคตเรียกพวกนี้เป็นนัตทิกาทิถิ มีความเห็นว่า่ไมปฏิเสธพวกนี้เป็นนัตธิการทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับในสมัยขาพพุทธการก็มีอยู่คนถามอย่างนี้ว่าวิญญาณไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีไม่มีอนาคตนะพวกนี้เป็นนัตธิกาทิฏฐิทิฐิปฏิเสธน ะ, ะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นการกลับไปหาธรรมชาติแรกนั้นใช่หรือไม่ อันนี้ก็เป็นภาวะของนิพพานนะในนิพพานนั้นไม่มีเกิดแก่เจ็บตายจิตที่เป็นนิพพานคือจิตไปสู่กกับธรรมชาติกลับไปสู่ธรรมชาติ ด, ดั้งเดิมเก้าการปฏิบัติเป็นการกลับไม่ใช่การไปการปฏิบัติก็คือการกลับเนื้อกับตัวแล้วการเขาเรียกว่าอะไรการทวนกระแสนะ การทวนกระแสะเราเคยเป็นคนขี้เกียจกับตัวเสื่อมใหม่เป็นคนขยนันเป็นคนเห็นแก่ตัวกับเสื่อมใหม่เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนทิฐิมรณนะกลับมาเป็นตัวคนอ่อนน้อมถ่อมตนทำนองนี้นะวิธีการปฏิบัติครับถ้าคนปฏิบัติแล้วมันไม่กลับก็เรียกว่าการปฏิบัติไม่ถูกนะการปฏิบัติที่ถูกมันก็ต้องกลับคือกลับ นิสัยเปลี่ยนนิสัยนะกับจิตกับใจการปฏิบัติจะได้สิ่งที่ไม่ได้อันนี้คือเหมือนข้อเมื่อกี้นะาศาสนาใหญ่หลายาศาสนาเป็นชิกชอติดต่อกันอันนี้เป็นความเห็นนะครับเราเป็นภูตะทันตะอันนี้เราจำคนอื่นมาถามนะครับภูตะาทัานตะว่าบุตรของพระเจ้าอันนี้เป็นหนึ่งศาสนาคิดนะ ไม่มีทั้ง อ, อวิชชาและสมาธิทิมีอยู่นะครับอวิชชาก็มีอยู่ความไม่รู้เรามีถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่มาปฏิบัตินะเพราเราไม่รู้นั่นเองเพราะมีอวิชชาเราถึงมาปฏิบัติพอเรามีมีสายทิฐิเราถึงมาปฏิบัติเพื่อสมาธิทิเพราะนั้นมีอยู่ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าไม่มีไม่ได้เพราะเรามีสิ่งนี้เราจึงจึงมาทำปฏิบัตินะเป็น พ่อคิดความเห็นที่อ่านบ้างจําบ้างก็มาถามก็ดีเหมือนกันนะฮะดีกว่าไม่ถามนะ <c oughs> ไม่ถามทีนี้ของครูอรรพินว่าไงดูมันมีคําถามนื้นเมื่อวานนี้อ่านไม่เจอที่รายงานไปข้งต้นแล้วก็รายงานได้ละเอียดนะอ่านดูแลรายงานละเอียดควรจะทําอย่างไรก็ไม่ยากมีอารมณ์หงุดหงิดก็หงุดหงิดเพราะอะไรเราก็ดูมันไปมันเป็นเหตุเป็นผลเหตุมาจากว่าเราไม่ได้ดูมันแต่ต้น เพราะมันมีทุกขเวทนาในร่างกายเนี่ยหลายที่หลายจุดเราไม่ได้เข้าไปรู้มันในทางที่ถูกเรารู้ทุกขเวทนาเป็นเดามันก็ก่อให้เกิดความมืงมนแต่เรามีทุกขเวทนาอยู่แต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นเดาเห็นว่าเป็นอันนี้เป็นอ น, นิีจางทุกข์ขานหน้าตา ความมูุนีก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แต่ว่าเราไปสําคัญว่ามันเป็นเรามันคือเกิดความมุนีดวิธีแก้ก็คื อ, คอเมื่อมีทุกขเวทนาระดับใดก็เห็นว่านี่มันคือกฎขงธรรมชาติมันไม่ใช่เราเรามาเสวยวิบากนะมาเสวยวิบากของทุกขนี้เท่านั้นเพราะว่าพระพุทธจ้าท่านบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อ๋ก็เป็นจริงแล้วนี่เราก็ทุกข์แล้วนี่อ๋อมันก็เป็นสัจจะเราก็รู้สัจจะแทนที่เราจะไปมุนีดเราก็ยอมรับสัจจะนั่นเสีย ความมุนิด ก, ก็ไม่มีก็เกิดความปีติขึ้นมาแทนเพื่อเราเป็นหงุดหงิดที่ใดก็แสดงว่าเราไปสําคัญผิดว่า <c oughs> ตัวทุกนี้เป็นเราใช่ไหมความเบือ่อความปวดความเมื่อยก็แบบเดียวกันพอเราไปสําคัญผิดว่ามันมีตัวตนความเบื่อความปวดความเมื่อยก็จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรมภาวะธรรมชาติที่เราเกิดมาสวยวิบาก พอเรามีร่างกายนี้ความหมู ด, ดีความเบือ่อความเหนื่อยเรามีนามมีรูปนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันจึงเกิดแต่ถ้าไม่มีเราไม่มีรูปมีนามสิ่งเหล่านี้ก็เกิดไม่ได้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นรูปเป็นนามมารูปเราก็าเอารูปในนามออกเสียก็คือรูปสําคัญมันหมายว่าเป็นเรานั้นออกเสียมันก็เลยเรียนนามล้วนๆคือรู้รู้ตามความเป็นจริงว่ายอมรับตามความเป็นจริงมันก็ รูปก็ไปอยู่กับฝ่ายรูปไม่เข้ามาดูนามนะรูปก็คือรูปในที่นี้ความรูปเจ็บรูปปวดรูปเบื่อรูปเมื่อรูปผิวมันเป็นรูปรูปต้องเป็นไปตามกฎขอนิจจังเสมออถ้าเราไม่ไปสําคัญว่ามันเป็นเราเสียรูปนั้นก็เป็นของอนิจจังทุกขังหน้าตาแต่ถ้าหากว่าเราเห็นมาเป็นเรารูปนี้ก็เป็นทุกขทําให้กายเป็นทุกขทําให้ใจเป็นทุกนะมันก็แก้โดยวิธีว่าดูว่ามันก็คือ กฎของธรรมชาติยอมรับมันเสียเออทุกก็ดีเหมือนกันนะทําให้เราหาทางออกทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เรามีปัญญาก็ขอบคุณความเบื่อขอบคุณความงุดหงิดเออความหงุดหงิดก็ดีเหมือนกันนะจะทําให้เราหายงุดหงิดเออก็เบื่อก็ดีเหมือนกันนะทําให้รู้จักว่าเบื่อเป็นไงต่อไปเราจะได้ไม่เบื่อเออปวดก็ดีเหมือนกันนะเรารู้จักความปวดว่ามันเป็นโกฎขธรรมชาติต่อไปเราจะได้ไม่ปวดถ้าเราคี้เสียนี่ต่อไปมันจะปวดเรืงุดหงิดอีกไหม ถ้าไม่มีปัญญาก็เงียบเหมือนเดิมเบื่อเหมือนเดิมปวดเหมือนเดิมนะพอเกิดปัญญาแล้วมันก็ไม่มีอีกแล้วหมดฮก็คร<อ>ัวเราขินก็บันทึกได้ละเอียดดีนะอะของท่านอูเพียงแต่ว่ากําหนดเอาที่บันทึกเนะี่ยแยกมาเป็นคําถามเพราะว่านั้นท่านบันทึกไปถามไปนะเขาบอกการแยกรูปแยกนามอีกนานไหมถึงจะแยกได้โอแยกรูปแยกนามอีกนานไหม แยกมันออกจากกันได้มันก็ตายสิอ่าอันนี้รูปนำรูปนำแท้ๆเลยเนี่เรารู้ว่าเรามีรูปเพราะเรารู้ได้ไงว่าเรามีรูปที่เรามานั่งนะเรารู้ได้ไงว่าเรามีรูปฮ่ลโหูเพราะมีความรู้สึกใช่ไหมเอาท่านบอกว่าพัสร โ, โอ้ไงว่าพัสรโลยกมือขึ้น อ๋อเหรอองคนี้อ๋อขอโทษท่า น, นอู๋คนนู้ว่าอู๋ประพัสรุอ๋อขอโทษ น, นะท่านรักอหลองตาลักอ๋อแยกท่นานอู๋แยกรูปแยกนามได้ยังไงแยกกันมันก็ตายสิอะไรนะเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะเรามีนามใช่ไหมทีนี้รูปอันนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่รูปนะร่างกายนี้เรียกว่าธาต อ่าในนี้ที่มันไม่ได้ว่าแยกธาตุแยกรูปแยกหนาะมแยกธาตุออกจากนามไแยกรูปนามถามเมื่อนี้นะแต่ร่างกายนี้มันเป็นธาตุไม่ใช่รูปลูกแต่ธาตุนี้เวลาเรานั่งไปเนี่ยมันมีนามในธาตุนี้มีนามอยู่กับรูปอยู่ในธาตุเนี่ยคือรูปกับนามเช่นนั่งตรงเนี้รู้สึกหนักหรือเบา เอารูปขึ้นก็เบาหนักแม้ต่นี้หนักก็บอกว่าหนักสิไี่ชอบเสียเฉยเลยรู้ธรรมะยากกว่าอย่างนี้เลยชอบเสียเฉยนู่นนี่ไม่ตอบตามความเป็นจริงอ่ะก็พูดว่าหนักจะไปเสียเหลี่ยมอะไรนักหนาเจอนะไม่กลัวเสียเหลี่ยมอยู่เลยเมื่อไหร่ยังมีเหลี่ยมอยู่นี่ยากกับธรรมะนะหนักนั่นแหละเขาเรียกว่ารูปรู้สึกหนักนั่นแหละลูกทีนี้พอยกขึ้นความหนักยังอยู่ไหมไม่อยู่อ่าน่นแหละเขาเรียกแยกนามเรียกลูกออกจากกันแล้ว แยกเอาหนักออกไปแล้วเบาก็ปรากฏใช่ไหม<อ>นั่นแหละแยกรูปแล้วเพราะรูปคืออาการหนักอาการเบาพอ น, นั่งไปสักพักอาการเบาหายไปอาการหนักเข้ามาพอรูปขึ้นอาการหนักหายไปอาการเบามาแทนนี่เรื่อยแยกรูปแยกนามระดับรูปนะระดับเวทนาทีนี้ระดับนามเช่นถ้าเรานั่งไปผู้หนักนี่ไม่ชอบเลยทาให้งุนหิดอันนี้เขาเรียกว่า แยกนามกับรูปไม่ได้มีคียแยกรูปแยกนามได้แต่พอพอพอไปเข้าไปสู่จิตปั๊บมันเป็นนา ม, มารูปใช่ไหมตอนนี้แยกรูปแยกนามออกจากรูปไม่ได้แล้วเพราะเราไปลำคาญมันลาคาญนู่นงิงีตไอการปวดนานๆา น, นี่นะนี่เขาเลิมไปเห็นอ่ารูปนามเป็นเรามันก็กลายเป็นนา ม, มารูปแยกรูปนามได้แต่แยกนามรูปไม่ได้พอเราจเจริญสติอ๋อพอเห็นว่า เราปวดก็ดสักแต่ว่าปวดเราไม่สําคันปวดเพราเป็นเราใจจะงุนงงลำพานไหมใจจะทุกข์กับความปวดนั้นไหมฟังไม่ทันอีกแล้วใจมันก็ไม่ไม่ทุกอ่าถ้าเราเห็นว่ารูปเอ่อที่อาการปวดมันไม่ใช่เราอาการปวดเป็นอาการของรูปแล้วก็พลิกเสีย อถ้าเราทนไม่ได้ถ้าเราทนได้กระทนต่อไปแต่ใจเฉยๆใจรู้เฉยๆไม่ได้ไปหมุนญหญินรางคารกับมันนี้เสร็จแล้วว่าแยกรูปแยกนามออกจากรูปได้แล้วใช้อะไรใช้ปัญญาแยกรูปนามเนี่ยแค่ใช้สติก็แยกได้แล้วแค่ขยับเนี่ยแยกได้ลใช่มอ่าแต่พอมันออกมาเป็นความคิดญหมุนหินเนี่ยยกไปลูกไปลูกมาเนี่ยมันหายไหมความหมุนหินอะ ไม่หายนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นสติไม่แก้ไม่ได้ต้องใช้ปัญญาปัญญาอ๋อไอ้ที่มันรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันก็คืออาการหนึ่งของรูปกับนามแล้วก็สลัดความหงุดหงิดทิ้งไปนนะั้แล้วแยกน้ำออกจากรูปได้แล้วนั่นต้องใช้ปัญญาอแยกรูปนามเรใช้สติสัมปชัญญะแต่แยกน้ำรูปจ้องใช้ปัญญาและใช้อ่าทีนี้เอาล่ะพวกอาหารนี่ดีเว้ยอร่อยกินเยอะอ่า ไปเห็นว่าอาหารนี้อร่อยกินเยอะๆเข้าไปอีกแทนที่จะเห็นว่าอาหารนี่สวัสดิตามธรรมชาติใช่ไหมพอกินเยอะเข้าไปก็เกิดอะไรเกิดความชอบเกิดความยึดติดในอาหารเกิดกิเลสแล้วอันนี้เรียกว่าแยกนามรูปออกจากอารมณ์ไม่ได้เพราะยังไม่เห็นการเกิดดับของธาตุที่กินอาหารมีละเอียดลงไปเพราะการที่จะไปเห็นการเกิดต้องปรสชนาญาณถึงจะไปแยกได้ปัญญาก็แยกไม่ได้แล้ว ผู้ที่ได้วิปัสนาญาณถึงจะไปแยกลดอาหารออกจากลิ้นได้กินก็ศึกว่ากินไม่มีคําว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกินพอเป็นาธาตุพอเลี้ยงชีวิตได้เท่านั้นแต่เป็นตินยัดอร่อยแล้วก็ถ้าคนไหนที่ยังไม่มีวิปัสนาญาณร้อยทั้้ยมันต้องอร่อยอยู่เดีไม่มากก็น้อยใช่ไหมเพราะยังไม่เกิดวิปัสนาญาณเพราะฉะนั้นการแยกรูปแยกนามมีสามระดับหนึ่งระดับสติสัมยาแยกรูปนามได้สองแยกนามรูปต้องระดับปัญญาสาม แยกอารมณ์กับออกจากจิตดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบต้องใช้วิปัสนาญาณมันต้องใช้ความรู้ลงไปลึกตามลําดับเพราะฉะนั้นไม่ได้วิปัสนาญาณแยกกินแล้วแยกไม่ออกแค่แยกความพอใจไม่พอใจก็แยกยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องตรกไปตรงวานะไม่งั้นจะรู้ยากนึกคิดเอาไม่ได้แยกรู้ยังนึกคิดต้องใช้ปัญญาเนี่ยนี่ต่อไปแล้วนะอันนี้อ๋อ เรือทานูของท่านท่านสมตาสมรักเ น, นะสุดท้ายนี่ของด ร, รสังกรโอ้โหเขียนมาเป็นแจ้มเลยว่าจะอ่านได้ไง <laughs> แต่ว่ายังสงสัยว่าเขียนเองหรือไปลอกหนังสือเล่มใดมาเขียนดีเหลือเกินน่นนะถ้าเขียนได้เยี่ยมมากเลยนะ่ <im it> อ่าฮะดรสังดรเ <im it> ขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มเลยทั้งเปเปอร์เลยอะ เหมือนแกนทำวิญญาณญี้ปุ่นต้องถามตรงๆว่าไปเขียนหนังสือเรื่มใดมาหรือว่าจำได้ทั้งเออจำมาหรือว่าเขียนได้เองเนี่ยเอาเขียนเองพ่อจะขอไปพิมพ์เป็นหนังสือนะเขียนได้ดีถูกต้องมากเลยแต่ก็มีผลพ่อมารอาไว้อยู่น ะ, ะบางศัพท์ที่ใช้ยังไม่ถูกนะเพรยนั้นตรงนี้ผลวออาจจะตได้ถามนะ เดาเร์มานี่ก่อนดิเดามานี้ก่อนพอไม่มีสับตัวเนี้ยไม่รู้เขียนถูกเขียนผิดผมงพ่อแปลไม่ออกสมภูมิไปเร์จริงๆอะเนี่ยเลเครับนี่เนี่ยตัวนี้ I have lay เลย์เอมโ on the detail แล้วเนี่ย the age คับอ ดีเทลมีอะไรเด้อครับอ๋อดีเทลยึดสิ่งครับจุดทำามใหญ่เกินนะอเทพธิดาอเทพธิดาเลยเหรอครับโอ้เขียนทับศัพท์เยอะจะไปอ่านออกด้เทพธิดาเนี่ยครับอ่าสายครับ for อีสิ่งเด e p ดเปลี่ย d u r i n g changing chanting writing joyfulness นะ observe ครับแล้วก็ใยการมู v e m นต์ของเคลื่อนไหวของอากาศในร่างกายของเราทัด <c oughs> ไป <c oughs> ก็คือ <c oughs> อะไรเดการเผาไหม้คับในคำว่าเด้อ คอมบูชชันเห o อครับคอมนครับอนี่เป็น E นี่เป็น E <laughs> เนี่ยคอมบนมีซกับราทำไมไม่ใช้ b บ r n i n ิเอาอ่ะอใช้คอมบูชชันเลยอ่ะสับนี่เขาใช้กันที่ไหนโ <laughs> อสงสัยสับชนดาเนี่ยนไะนะนีต่นะอันนี้อันนเดใช่ั้ย ต, ตัวเนี้ยตอทุกองค์ปรบอืม เพราะฉะนั้นในนี่คือเคลียร์ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะมิสเตอร์แมนยัวช็อตดุโนตบริช็อตอาร์แดี้สลีปแมนยัวเวกอัลเบเกนไม่ได้ยินวันนี้เห็นว่าทั้งสามคนปฏิบัติอยู่ในสลานีวันแต่ละวันผมงพมาดูแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจก็เลยเอาไปอยู่ปฏิบัติข้างนอกนะ แมนพ่อใหญ่ใหม่กับพ่อใหญ่ดรอกเตอร์ปฏิบัติข้างนอกพุ่นนี้ไปปฏิบัติใกล้ๆหลวงพ่อโน้นเพราะว่ามันเสวนาในในี่หลวงพ่ออากาศมันสบายทีนี้ก็คนเข้าคนออกไม่ค่อยสงบนะก็อยากจะให้ไปสัมผัสอากาศธรรมชาติแล้วก็สถานที่ตรงนี้พระเราย้ายไปแล้วทั้งพระทั้งเนนก็ห้าหรือหรูปห้าเนาะยังเหลืออีกสองหรือสามที่ อยังเลือีกสองสามพี่ถ้าใครอยู่ข้างในน้นรู้สึกแย่อดาาแล้วไม่สงบนะครับก็ยา้ายไปทางนี้ได้อีกแต่สําหรับทางอุบายสุกนี่ก็ห้าห้าท่านพอดีให้เนนนอตไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่แต่พวกนี้ต้องสับที่ระหว่างเนนนอตกับคุณปีชาหน่อยให้เนนนอตไปเป็นพี่เลี้ยงกับคุณราชันเพราะคุณลาชันนิดพี่เลี้ยงต้องปรึกษาคุณปีชาอยู่เลยเลย นะเพราะฉะนั้นคนระดับเดียวกันปรึกษาไม่ได้ต้องส่งเน้นนอดไปเป็นที่ปรึกษาที <c oughs> นี้เราต้องการให้แต่และคนได้เกิดประโยชน์นะเรามาแล้วนี่มันเชื่อได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่น้อยไม่มากก็ น, น้อยให้เอาไปการปฏิบัติที่จะได้ผลเร็วนะคืออย่าสงสัยทำแบบโง่โง่นะ ถ้ยิ่งฉลาดนี่ปฏิบัติช้ามากเลยนะเอามาเสียเวลามาขึ้น่อนศตวรรษเนี่ยเพอฉลาดเกินไปนี่แหละแต่หลังจากเลิกฉลาดแล้วทีมันรู้หมดเลยทีเนี้ยเออไม่เชื่อเราทำด้วยดิคุณลายฉ้นเพราะนั้นทําทํำโง่ครับยิ่งยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งฉลาดแต่ยิ่งโง่แต่ยิ่งโง่แต่ยิ่งฉลาดมันแปลกดีเหมือนกันนะนะแต่คนเรามันกลัวโง่นะแต่ไม่กลัวฉลาดชอบฉลาดแต่กลัวโง่แต่มันเวลาไปปฏิบัติทำไม่ใช่งั้น คุณต้องกลัวฉลาดแต่อย่ากลัวโม่แล้วมันจะเข้าใจไวนะให้รู้อะไรซื่อๆเนี่ยรู้ไปรู้ซื่อๆตรงๆ ร, รู้แบบคนไม่มีไม่มีหัวใจแหละเพราะเราเอาหัวใจออกเพราะนั้นเขาว่าสุญญาตาแปลว่าเขาแปลว่าจิตว่างนี่แปลไม่ถูกนะเอามาแล้วมาแปลใช่ไหมว่าว่างจากใจว่างจากจิตนะจิตมันไม่ว่างเลยนะเพราะจิตนี่ตัวรับอารมณ์ตัวสั่งสมอารมณ์ทีเดียวแหละเพราะนั้นเมื่อเมื่อ ว่างจากจิตเสียเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่ต้องเก็บอารมณ์แล้วทีเนี้ยจิตมันก็จ ะ, ะไม่มีจิตมันมีแต่ตัวรู้มีแต่ตัวยานที่เหลืออยู่ถ้าเอาจิตออกไม่ได้เนี่ยยานเกิดเกิดไม่ได้เนี่ยทายานเกิดจิตต้องอยู่ไม่ได้เพราะจิตเป็นผู้รู้อ่ะเพราะฉะนั้นผู้รู้คือตัวยานแต่ว่าเราสมมุติเรารู้จักคําว่าจิตเรียง่ายเราก็เลยสมมุติเป็นแต่ความจริงผู้รู้หรือตัวรู้เนะี่ยคือตัวยานให้ยาณเหลืออยู่ เหมือนกับเงากับแสงเนี่ยถ้าแสงในสว่างจริงๆเนี่ยเงาไม่เกิดนะแต่ถ้าหากว่าแสงมันมันไม่ค่อยสว่างเนี่ยเงามันเริ่มกินพื้นที่เข้ามาแล้วและแสงสว่างยิ่งลดแสงสว่างลงเท่าไหร่นะเงาอ่็กินพื้นที่มาเรื่อยๆแหละจนที่สุดแสงสว่างหายไปเงาก็มืดเลยจิตก็เหมือนกันถ้าตัวรู้มีอยู่จิตถอยออกไปอ่าจิตถอยไปแต่เมื่อไรตัวรู้ฟอจิตเริ่มเข้ามายึดพื้นที่เพราะจิตมันเป็นเงา จีนเป็นเงาเงานี้ยจะมืดหรือไม่มืดอยู่กับคุณภาพของแสงจิตนี่จะมีความเข้มหรือมีความคิดหรือไม่คิดอยู่คุณภาพของตัวรู้ถ้าตัวรู้ส่องสว่างจริงๆแล้วเนี่ยชัดจริงๆแล้วเนี่ยตัวจิตไม่เกิดไม่ได้เอ อ, เอคุณนไลชนาวิทินะจริงไม่จริงไม่รู้แหละ <c oughs> เอาไปคิดหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นคาว่าสูญญาตานี้ไม่ได้แปลว่าจิตว่างต้องแปว่าว่างจากจิตอ่าต้องว่างจากจิต แต่ว่าเขาฟังแล้วเขาอาจจะค้านก็นได้นะแต่ว่ามาเห็นอย่างนี้แหละเพราะว่ารู้มญญาเนี่ยศูนย์ยตามีเคยไปที่ศูนย์ใหญ่ของหลวงพ่อทิฏฐานที่เอสคอนดิดโอมันขึ้นอยู่กับเมืองแซนดิเอโกที่แคลิฟอร์เนียนะศูนย์ขนาดใหญ่นะที่ทั้งเท่าไหร่ทั้งห้าร้อเอเคอร์กินวูเขาตั้งไปลูกสองลูกที่ท่านเขาที่ให้ท่าน ในวิหารใหญ่ไม่มีพุทธรูปนะใหญ่ใหญ่กว่านี้สองเท่าเนะี่ยไม่มีพุทธรูปแต่ท่านเขียนเป็นภาษาเวียดนามเป็นวงกลมอยู่ข้างหลังเนะี่ยเป็นวงกลมเท่ามาจาัดเป็นภาษาเวียดนามใช้เชือกเส้นขนาดเข้าแขนเนี่ยนะแทนตัวหนังสืออผมอาตมาก็อ่านไม่ออกก็ไปตามพระเวียดนามมาเพระที่นั่นมีแต่พระเวียดนามเพราะหลวงพ่อเป็นคนเวียดนามถามว่าคุณ แปลภาษาอฤษแปลเป็นภาษาอฤษให้ชั้นดูดที่ว่าตัวนี้เป็นภาษาคุณอะ่ะมันแปลภาษาอิษว่าไงอ๋อแปลภ า, าษาอังกฤษว่า BC บีซีเลสบีซีดักเกอร์เลบวกบีซีบวกเลสแปลว่าอ๋อนึกขึ้นได้ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอก <laughs> ทุกลัอันแปลว่ายุ่งอ๋อบีซีเลสเป็นแปลว่ายุ่งบีซีอ่าบซเอาไปเจอคนเมกานะ I'm busy I'm no นโน้โน้ฟรีทุเรียนบีซี่หมายว่าวันนี้ไม่ว่างหลวงพ่อติดนันหันต้องการจะสวนทางคนมีกันแทนที่แคว่า b ิซิเล็ตก็เลยแทนที่จะ b u s ี่บ s ซิเ s ็ตบ s ซิเน็แปลว่าธุรกิจใช่ไหมอันบีซีสัญยุ่งทุนนี้ฉันไม่ว่างทันก็เลยแปลเป็น b ิซิเล็ตก็แปลไม่ไม่ไม่ไม่คือไม่ยุ่งอ่ะวันนี้ไม่ยุ่งคือว่าง จิตทุกจิตคือจิตเป็นวิเศษฤทธิคือจิตที่ไม่มีจิตคือมันว่างจากจิตที่นี่ไม่วุ่นวายที่ไม่ขัดข้องถ้ามีจิตแล้วมันจะวุ่นวายมันจะขัดข้องอยู่เลยแต่ไม่มีจิตแล้วเนี่ยมันไม่ไม่วุ่นวายพุทธเจ้าเลเ่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เถิดยศะเะพราะยศอยู่ในคลือหาดเต็มไปด้วยความสุขแต่พอหมดความสุขแล้วมันเป็นป่ายช้าแต่แกเลยเบื่อจัดเลยหนีหนีออกจากคลือหาด วิ่งิตลิดเปิดเปิงเข้าวเปล่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอตอนนั้นพระพุทธเจ้ากาลังเดินจงกรมอยู่หน้าเจตวันตอนใกล้ลุ่งอย่างที่เราเดินมาตอนเช้าอ่ะท่านก็เลยเปล่งคําพระสุนทเสียงสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็เท่ากับบิซิเลสมาถึงวิหารใครมาที่นี่เนะี่ยจิตจะไม่วุ่นวายจิตจะไม่ขัดข้องในเรื่องต่างๆจิตจะว่างเท่ากับสุญญาตาวิเชเลนเท่ากับสุญญาตาคือว่างจากใจ ถ้าคุณมาที่นี่คุณมีจิตอยู่แสดงว่าคุณมามาเข้าไปถึงที่นี่ถ้าคุณมาคุณมีแต่รู้สึกน้รู้รู้ตัวเนี่ยพอที่ท่านสอนแบบเราเลยนะเคยไปศึกษาเข้าคอร์สของท่านเคยข้ามผมเคยไปที่ฝรั่งเศสไปเข้าคอร์สกับท่านเดือนหนึ่งที่ซมเมอร์รีทีชที่บ้านพรัมที่ฝรั่งเศสที่เมืองบ็อกโดอะนนั้นก็เลยว่าฝรั่งดึงขึ้นเยอะไง เพอเขความรู้นึกรู mäß, ้ mäß, ตัวแล้วจิตมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่ใช้ความรู้เออส่วนใหญ่เราใช้ความคิดใช่ไหมเห็นอะไรก็คิดคิดคิดคิดแต่ไม่รู้สิ่งที่เฉพาะหน้านั้นเป็นอะไรไอ้ความรู้นี่เขามันก็เห็นแล้วมันจบนะแต่ความคิดนีนน่เห็นแล้วมันไม่จบเห็นแล้วมันคิดต่อนีเรว่อจิตแต่ถ้าเมื่อไรได้ดูความรู้รู้แล้วเข้าใจทะลุบุบงงแล้วมันไม่คิดมันไม่สงสัยเพราะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันจบ เพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยด้วยความรู้และตัวรู้เดี่ยไปอยู่ด้วยความคิดด้วยตัวคิดถ้าอยู่ด้วยความคิดตัวคิดทุกข์กต้องมีเรื่อยไปนะดังนั้นก็ได้โปรดกรุณาเอา้านี่แจกกระเคือถือว่าจบละเดี๋ยวเลิกกันอา้าวแดงอ้าแจกเพื่อนดิจะแจ ก, แจก ต, ต่อกันไปถึงหลัง Mr. Man, I talk about the Vietnamese monk in the United States because in the meditation hall in Escondido, you've been there before, Escondido, California. They have the big uh, meditation hall in the Escondido. They have the big letter. They say B C L S, like a Empty mind, empty your mind. It means emptiness. So on the time when you are knowing your body and mind, you are empty. Your mind empty. Empty of what? Empty of thoughtfulness. Empty of thinking. Uh, empty of c o n c e m p a t i o n Empty of h u s h mind. Yeah. So on the time we stay with knowing, knowing mind. No thinking mind. So in the thinking, when you think, you try to empty up, up, up thinking mind, empty up thought. Mm -hmm. By aware of your bodily movement, when you might stay with knowing, try to develop, try to maintain a knowing mind, not maintain thinking mind. Okay, that how to empty your mind. Understand? Thank you. Okay, na. วันนี้เลิกไว้หน่อยจะได้ไปเดินต่อทีนี้อ่ามีอะไรที่ถามโดยตรงมีไหมที่จะถามกันผมก็ ค, ค, อคอมเมนต์ไปตรงนั้นนะว่ า, อ, าอะไรอะไรนะให้ไปให้เขียนให้เยอะขึ้นหน่อยนึงน่ะคิดทั้งวันแต่เขียนไม่ออกยี่คิดยีเขียนไม่ออกนะไม่ต้องคิดแต่เขียนไปเลยเอเขียนเอาไว้เลยแล้วเขียนด้วยความรู้มันจะเขียนออก ใครบางที่ยังไม่ได้ส่งครับยกมือขึ้นอาจารย์พงศ์อาจารย์กกแล้วของท่านอูสามท่านเนาะขอให้เหียนใ้สามรันทัดก็ขอให้ส่งก็แล้วกันจะได้รู้ว่ามีปัญญาแค่ไหนปัญญาเยอะเกินไปเขียนไม่ออกอ๋อเขาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติของเขาเพราะว่านี่วอนห้าเนี่ย นิวอนมันเกิดความม่วงมันเกิดแก้อย่างไรความเบื่อมันเกิดแก้เขาบอกวิธีแก้่แต่มันมีอยู่คํานึงด็ตอร์พูดบอกใช้พุทโธท่องพุทโธไวๆเนี่ยวิธีการเราไม่ได้ใช้พุทโธแก้ความง่วงนะดรในบันทึกมีอยู่นะใช่ไหมบางทีห้องพูทโธแรงๆเนี่ยวิธีเราไม่ได้ใช้พุทโธนะเพราะนั้นตัวนั้นสงสัยมันจะไปลอกเอาพุทโธมาไงไม่ได้ใช้พุทโธใช้เดินก้าวหน้าถอยหลังใช้ทําอะไรแรงๆ นะอ่าโอ้โออยบางทีก็ก็แล้วแต่นะว่าจะใช้อะไรแต่อะไรที่มันเสี่ยงเวลามันง่วงมาไปใช้พุโทโธพุโทโธก็ได้แต่ว่ามันไปสะกดเอาไว้อะมันไม่มันไม่เคลียร์อ่าเชิญเวทนาในเวทนาเนี่ยอ่าคือคือเห็นเหตุที่เห็นเหตุเห็นเหตุที่เกิดในเวทนานร อ, อ, อเ อ่าเวทนาในเวทนาก็คือเวทนามันมีเวทนาในได้แก่เวทนานอกใช่ไหมเวทนานอกที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มากระทบเราถ้าไม่มีรูปสมมุติว่าเราได้ยินเพลงฟังเพลงเนี่ยรู้สึกชอบใช่ไหมอันนั้นเวทนามาจากเสียงเราก็มาเกิดเวทนาในคือเราชอบแต่มันอาศัยเสียงทําให้เกิดเราชอบเพราะฉะนั้นเวทนานอกมากระทบเวทนาในา พ่อเวทนาเนาะแต่ถ้าไม่มีเสียงได้ยินเสียงเพลงเพราะๆที่เราชอบใจเนี่ยความรู้สึกชอบใจมีไห ม, มไม่มีใช่ไห ม, มนั่นแหละเห็นไหมบางที่เวทนาก่อนมาทบมาท บ, าทบกายเนี่ยกายของเราเวทนามันเป็นนามส่วนหนึ่งใช่ไหมอพอมันต้องผ่านเวทนาก่อนถ้าไม่มีเวทนามันก็เรานอนหลับอะไรมากระทบเราก็ไม่รู้เพราะเวทนามันอ่อนไม่ใช่ไม่มีนะมีอยู่แต่มันอ่อนมาก เนะพราะนั่นอาศัยเวทนาเกิดอ่าแต่เวทนาในหมายถึงว่าตาหูาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเวทนาไทายคอเวทข้างนอกเป็ น, น, น, ขขนตัวรับรู้แต่อาศัยเวทข้างน อ, นอกเป็นตัวมากระทบแต่บางครั้งเนี่ยเ อ, เ อ, เอตาหูาจมูกลิ้นกายใจผมก็ไม่ได้ทบกับรูปเสียงขี่รุดนะมันเกิดคิดขึ้นมาชอบขึ้นมาชังขึ้นมาเฉยเฉยเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่มีรูปเสียงขีดรไรมากระทบเลยอันนี้เขาเรียกว่า จิตและอารมณ์กระทบกันก็เกิดเวทนาทางจิตลักษณะนี้เขาเรียกว่าเวทนาทางจิตก็มีทางหากแต่เวทนาอาศัยทั้งรูปเสียงขีดรสสัมผัสนี่ก็เป็นเวทนาทั้งห้าภายนอกแต่เวทนาที่เกิดตัวมันเองโดยไม่ต้องอาศัยข้างอารมณ์ข้างนอกอาศัยตัวมันเองกระทบตัวมันเองอันนี้ก็เป็นเวทนาในเหมือนกันก็ล้อมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเบื่อเอง รู้ไปเรื่อยๆร้องกับมันไปเรื่อยๆมันร้องได้ทุกวันก็ช่างมันเดี๋ยวมันเบื่อแล้วมันจะไม่มันจะไม่เอาอีกเลยทีเนี้ยเอเหมือนกับเขาละเพลงนี้หมดเพลงใหม่มาทั้งวันเลยใช่ไหมถ้าเราไปต้านมันเนี่ยเราจะงูหีบแล้คานใช่ไหมเออไม่ต้องต้านมันร้องไปกับมันเลยเออเดี๋ยวมันก็เบื่อเออมันมันรู้สึกเบื่อมึงทำไมมึงไปร้องอีกอะอะไรโทักมันเลยนะมันจะเออเหมือนกินข้าใช่ไหม ขณะที่มันชอบกินเดี๋ยวก็อิ่มพระอิ่มแล้วก็ไม่อยากอะไรแต่ว่ามันเคยมาได้ทุกวันนะเนาะเมื่อใดได้อารมณ์ดีๆมันก็มาลักษณะนี้ท่านบอกว่าต้องสํารวมต้องสํารวมว่าอะไรสํารวมเพลงที่แว่วมาเนี่ยมันแว่วมาในหูหรือแว่วมาในใจมคือากตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญญานะเป็นสัญญาที่มันจำเอาไว้เมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเราเก็บเอาไว้เขาเรียกว่าเป็น อต่เราไม่มีสติในช่วงนั้นนะนะเมื่อมากระทบความชอบไม่ชอบมากระทบแล้วเราเลยไปซับมันเอาไว้เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือผวังข้าจิตแต่จิตไ้สำนึกเนี่ยเวลาเราตัวสติของเรามันอ่อนปับ๊บมันก็จะลอยขึ้นมาลนะนะพอจิตของเราสงบปับ๊บมันก็จะเห็นชัดลอยขึ้นมาเหมือนกับเราน้ำที่มันขุนๆอะ่ะพอเราเอาสารช้มไปเตะ ไปแก่งมันมันตกตะกอนใช่ไหมน้ําก็เริ่มใสพอน้ําเริ่มใสแล้วมันก็จะเห็นอยู่ของข้างใต้บ้างมีอะไรบ้างมีปูมีปลามีกุ้งมีหอยเหมือนกันพอเดินโยกงบไปสักพักปฏิบัติไปสักพักจิตเราเริ่มจิตเราเริ่มเริ่มใสไอ้จิตใต้สํานึกที่เราเคยสั่งสมพวกเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มโผล่ขึ้นมาแทนทีนี้แหละเขาเรียกว่าตัวเหมือนกับตัวปีติแต่ไม่ใช่แต่มันตัวนันทิและความเพลิน ความเพลินเนี่ยมาจากอุปท า, านนี่แหละอุปท า, านที่เราเก็บเอาไวนะ้แต่เขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกที่มันตกอยู่ข้างในอ่นะก็จะลอยขึ้นมาปล่อยมันเอาไม่ให้หมดก็ได้มันตกตะกอนแล้มันตกตะกอนเพ <im ple k> ราะตอนที่เราไปชอบมันเราไม่ได้กําหนดรู้ใช่ไหม <im ple k> ก็ปล่อยมาเรื่อยๆผมผมก็เป็นตั้งนานนะเพราะสมัยผมเปิดเด็กเรื่องความมีชอบร้องเพลงไงก็ค <im ple k> ือหลังความผมก็ร้องเพลงเพราะมันเป็นบ่อยเข้าบเข้าจนกระทั่งว่ามันหายไปเองทีเนี้ย แต่เราก็ไม่ไปปฏิเสธมันโอ้ยสารพัดแก้วเพ่งการแก้วสุพรรณในผมได้หมดเลยก็โคสินด้วยพวกคุณทุนทองใจทั้งหมดนะยังนึกถึงอิสระก็เป็นในช่วงนั้นมีอิสระอยู่เรายังปัญญาเราไม่สมบูรณ์มันก็ยังมีอยู่มันไม่ตัดด้วยปัญญาเอาปัญญายังไม่เกิดในช่วงนั้นนะเราปฏิบัติในใหม่ๆปัญญาตัวนี้ที่ปรัชนาญาเนี่ไม่เกิดมันตัดไม่ได้ไงนะต้องต้องเก็บอยู่นี้ตลอดไปไม่ไม่ตลอดไปเพรอปฏิบัติไปเรื่อยๆ เอาวิปัสนาญาณมันเกิดมันจะไปตัดทั้งมันเองแต่ถ้าหากว่าวิปัสนาญาณมันไม่เกิดแล้วพยายามไปตัดเนี่ยมันเหมือนไปกดทับเอาไว้มันจะไม่หมดง่ายๆปล่อยมาให้หมดอ่ะนะเดี๋ยวมันเบื่อเองอแต่ละมันลืมมันลืมไปชั่วขณะเดี๋ยววันใหม่มันก็มาใหม่นั่นเราไปกดทับมันไว้เพราะฉะนั้นมันมาก็ก็รู้มันซะทําไงได้ก็ดูไปเรื่อยๆ ร้องก็รู้ดูรู้ทําความรู้สึกไปทําความรู้สึกไปมันก็ร้องมาก็รู้สึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวันหนึ่งเนี่ยตัววิปัสนาญาณมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นปั๊บตัวน้ําำมือค่อยย่อยสลายไปเหมือนหนึ่งว่าเกลือสักแก้วเนี่ยมันเข้มเค็มเอ๊กินมันก็ไม่ไหวเค็มแล้วเกิืนี่ทาไงแล้วก็ใส่น้ําเปล่าไปเรื่อยๆทีและแก้วทีและแก้วทีละแก้วจนกระทั่งน้ําในแก้วน้ําเค็มในแก้วมันเพิ่มขึ้นมาเป็นพันแก้ว หลายพันแก้วเป็นหมื่นแก้วเราจ ะ, จะรู้ว่าเกลือในแก้วที่เราว่าเค็มๆ เ, เนี่ยไม่มีรสเลยสลายหมดเหมือนกันตัวอุปทานในเรื่องรูปเสีงยงกี่รสที่เราชอบชอบเนี่ยเราก็ไปห้ามมันไม่ได้แต่เราเติมตัวรู้สึกลงไปเหมือนน้าเปล่าความรู้สึกตัวเนี่เหมือนน้าเปล่าเติมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันน้ําเปล่าตัวนี้คือความรู้สึกตัวเปล่าๆตัวนี้มันก็จะไปสลายตัวอุปทานตัวชอบหมดไปหมดไป ถามว่ามันมันหายไม่ได้มันไม่ได้หายมันอยู่ในนั่แหละแต่มันไม่มันมดมันหมดฤทธิ์เพราะเนื่องจากว่าไอ้ตัวรู้สึกตัวมันมากกว่าใช่ไหมตัวรู้สึกตัวที่มากกว่าเขาเรียกวิปัสนาญาณ้องทําความรู้สึกตัวมากจนนึ่งขึ้นมาเป็นวิปัสนาญาณตัวอสวก็จะหายไปเข้าไปดู้บ่อยไม่ใช่จางไปมันก็เลยเติมขยันเติมน้าเติมเยอะๆนะไม่ใช่เติมเีลงกระแก่เติมเีละถังเลยทีเนี้ยเออเห็นหนึ่งว่าไงหนึ่งอ๋อ ทำไมพระหันต้องติดเต็มเราทํำไมต้องปฏิบัติธรรม เ, ออเรื่องนี้มีสองกรณีนะกรณีที่หนึ่งท่านต้องการที่จะเป็นแบบอย่างเป็นกําลังใจให้แก่คนรุ่นหลังต้องรักษาแบบเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่คนรุ่นหลังกรณีที่สองท่านบอกต้องการอยู่ด้วยวิหารธรรมการดึจงจงกรมกรดีการประลบความเพียนก็ดีทําให้ธาตุขันเนี่ยมันมันไม่แปรปรวนได้ง่าย สมดุลธาตุขันเพราะว่าท่านยังเป็นทุกข์ด้วยธาตุขันอยู่ยเป็นทุกด้วยธาตุอยู่ดินดน้ำโล่งไฟของท่านยังแปรปรวนอยู่ใช่ไหมแต่พราะท่านทำความเพียรเนี่ยทำให้ดินดน้ำโล่งไฟมันสมดุลดง่ายๆก็เวทนาทางกายเขาจะน้อยอ่าเพื่อทางกายนะฉันไอ้การที่ทําเนี่ยหนึ่งเพื่ออ่าบรรเทาเวทนาต่างโรคภัยที่เจ็บต่างๆไม่รบ ก, กวนเพราะทําความเพียรเป็นประจำมันก็จะทําให้ท่านปฏิบัติงานอะไรๆได้ง่าย ทำหน้าที่แทนที่เออธาติขันนี่ไม่ใช่เราของเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันนะจะอยู่ไงกีกัช่างมันธาติขันของท่านก็ไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพราะมีแต่เจ็บป่วยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าท่านได้ปลุกความเพียรเรื่อยในการทํายังไงก็ตามให้ธาติให้ขันของท่านเข้มแข็งท่านก็จะใช้ธาติขันนี้ให้เป็นประโยชน์กับสัมภ ส, สัตร์อื่นได้อันนี้ท่านได้สร้างบุญบรารมีมาทางนั้นที่จะช่วยเหลือคนนะท่านก็พยายามรักษาธาติขันเอาไว้ด้วยการทําความเพียร เพราะนั้นมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นกําลังใจแก่คนรุ่นหลังท่านเทียว่าเป็นทันติเป็นแบบอย่างแดงพุทธิจ่าเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาท่านก็เดินโจโกมอยู่เหมือนเดิมอย่างพรอเทียนเนี่ยอย่าลืมว่าตื่นขึ้นมาทีสองเกิดตื่นขึ้นมาก่อนพวกเราเลยนะเราตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงดังแตบแตบแตบแตบเพราะท่านใส่รองเท้าแตะได้เสียงนั่งอดเดินตั้งแต่ทีสองนะเราตื่นมาทีสามทีสีไม่ทันท่านหรอกทาไมท่านต้องทําบีแกท่านต้องการที่จะ เป็นแบบอย่างและกำลังใจแก่อนุชนรุ่นหลังแก่คนที่มาปฏิบัติให้มีกำลังใจเออหลวงพ่อยังทำเลยพน้พนพ้นทุกเราเรายังมีทุกอยู่เราไม่ทำได้ไงใช่ไหมก็จะเกิดให้สติแกคนรุ่นหลังได้เป็นกำลังใจอันที่สองก็บริทาบริหารธาตุขันนี้ให้เป็นไปได้วยความสะดวกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากมันนะอ่าเป็นคำถามที่ดีหมดนะอ่า ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทหลายที่จะปฏิบัติขัดเกลาเพื่อให้เกิดญาณปัญญาสามารถรู้กายรู้ใจของตนเองจนหายสงสัยไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกด้วยการทุกคนรูท่านเถิด